คนอืนแจ้งข่าวพวกเราสรับเนอะบางคนก็สับข่าวไปแล้ว <c oughs> ลูกผู้แสวง <c oughs> วัดศิลาวาลีอำเภอเถินที่จะตัดลูกทิมิตรวันที่4วันที่5 <c oughs> เดือนหน้าไม่กี่วั น, น <c oughs> ประกอบด้วยมรรภาพก่อน <c oughs> มรภาพเมื่อวาน ่นวัย80ปีเป็นสาย48แสดงว่าท่านหมดเมื่ออายุ30กว่าแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นลูกหลานองปวแว่นน้อปหลวงทำป่าสบายวัดป่าสําัญก่อขาอะไร มรบาร์ลงจริงๆไม่สบายนานแล้วตอ <c oughs> นนั้นทำผ้าสบายเอามาดูแลรักษา <c oughs> สุขภาพไม่ค่อยดี <c oughs> วัดศิลาวารีหรือ <c oughs> เรียกแฟนวัดชาบานที่อ่อนด้อยต่อศิล <c oughs> าหินวารีหือน้ำวัดน้ำวัดหินช <c oughs> ื่เรียกวศิลาไงว่า วัท่านเต็มไปด้วยพลานหินเต็มไปด้วยก้อนหิ น, นก้อนหินหนีน้เป็นก้อนก้อนเป็นภูเขาเป็จริงแต่ว่าต้นไม้น้อยหลานส่วนใหญ่จะเป็นหิน <c oughs> มีน้ําำลาง <c oughs> เป็นน้าออกม <c oughs> ตั้งตั้งชื่อตามสภาพวัดศิลาวารี <c oughs> แต่ชบาบ้านเขาได้ต้องเลยเบื่เบบถินไปหน่อยติดถนน วันนี้เคยไปอยู่เมืองประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วตื่นจากวารองเดิมแต่ <c oughs> องค์ปัจจุบันก็คุ้นเคยกันอยู่เป็นคนสุโขนครนกันก็ตามตามหลวงปวู่แหวรวงมาสุดท้ายคำวารับบาปยังไม่ได้ฉลองบทเลยวันนั้นถ้าใครไปร่วมงานจะได้สองงานงานหนึ่งก็คือฉลอง ตัลุกนิ้วอุโบสถงานที่สองก็คืองานงานศพท่านคือได้สองงานกาแจงกาไฟบริษัทมีพูดถึงความตายความตายก็คือไม่หายใจจารองยังไง คนตายกือคนที่ไม่หายใจถ้าเราเรียกง่าคือหมดลมหายใจใไพระอาะนั้์เคยพูดอยู่เสว่าสามคำสมคัญมากมากสามพยางยหนึ่งลมสองหายสามใจถ้าเราทาได้สามอย่างไม่ต้องไปเรียกอะไรทั้งนั้นที่เรื่องในกันปฏิบัติจะเรียกว่าอาณาปา น, นสติเรียกสติปัฏฐาน เรีกว่าหายใจเข้าหายใจออกที่เป็นทางปริยัติ <c oughs> ที่อธิบายกันเป็นเล่มยังไม่เข้าใจ เ, เอาสั้นๆแบบปฏิบัติก็คือลมหายใจดูลมหายใจ <c oughs> <c oughs> แต่วิธีทาง <c oughs> อ่อมันจะมีเสียงประกอบเยอะหน่อยค อ, อยคอยังไงดี <c oughs> ในทางปริยัติมันก็อธิบ า, ายละเอียดคือวิธีการหายใจนะหายใจยังไงหายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงท่านก็บอกเลยสองสามวิธีคือหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกท่านบอกว่าวิธีที่ทถูกต้องก็คือบางทีเราก็ไม่ได้พูดละเอียดเราไม่ลองผิดลองถูกก็อยากให้พวกเราลองผิดลองถูกดูก่อน อย่ม่ต้องไป็นานึกถึงวิธีการมันแค่ดมลมหายใจเอาแค่เข้าเขาออกนะระว่าง <c oughs> หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกกับหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าดูสิว่าผลมันต่างกันยังไงพวกเราอาจจะไม่เคยมาทดลองไม่เคยทดสอบดู พอเราชินกับการขายว่ากับคาว่าหายใจเข้าหายใจออกเราก็เลยนะสตรหายใจเข้าหายใจออกก่อนทีนี้เราลองกลับกันมังที่เราไม่เคยทํำเลยเราจะรู้ความรู้สึกแบบไหนสตรหายใจออกหายใจออกคือหายจุดหมดท้องเลยหายแล้วก็กั้นลมาหายใจไว้หายจะออกก็ยาเวลาก็ยาวเราก็กั้นไว้อย่างเป็นยางไงยังไม่ให้ายเข้านะ เรารู้สึกว่าโอ้ถ้ามันไม่เข้านมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เราเริ่มเห็นกติกาต่างพ่หายใจอ อ, ออกนานมันก็จะยุบหลง ว, ว่าหายใจเข้ามันก็จะพอง น, นี่อีกสายนึ่งกเร็วยุบหน่อบอกหน่อเขาดูวิธีอย่างนี้เด็กก็ใช้เป็นคำบริกรรมไปเลยแต่เราไม่ต้องเอาหายใจเข้า <c oughs> หายใจออกหายใจออกก่อน แล้วก็หายใจเข้าทีนี้ต่อไปก็คือดูดูหายใจสั้นคือหายใจออกเร็วสั้นหายใจออกยาวมันจะสะดวกไห ม, มหายใจสั้นสั้นแล้วหายใจเข้าเร็วอ่าอย่างคาต่อก็ไม่สะดวกเนี่ยหายใจสั้นเข้าสั้นออกสั้นแตนี้ออกยาวคือถ้าออกย า, ยาวไปเลยเข้ายาวไปเลยอันนี้เขาเร็ว่า ตื่นตัวทั้งตัวเลยออืทีนี้ดูที่มันกระทบเรียกผัสสะก่อที่มันจะกระทบตัวก่อนที่มันจะเข้าก่อนที่มันจะออกกําหนดฉันใช้คำว่ากําหนดไม่ได้เพ่งไม่ได้จําไม่ได้มองอืคือกําหนดว่าอรักษณะอย่างเนี้ยคือมาทั่วให้มันรู้ทั่วกําหนดออืรู้ว่าผลการเป็นยังไงสุดท้ายเราจะเห็นครับเพราะว่าทุกข์ คือลำบากอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้คือหายใจเข้าเราไม่ให้ออกเลยไม่ได้ออกแล้วไม่ให้เข้าเลยไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ทุกแบบสั้นๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเกา่าแค่กาหนดไม่ต้องมีคบอะไรเลยสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่ี่เราจะต้องรู้ต่อไปคือคาว่าทุกข้อแรกคุณสมบัตกิกระทบคือไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องลับ แต่ใช้คำว่าปาริญญาแปลว่ากําหนดไม่ใช่ปาหานะคือรักเดียวปะหานทุกไปการกําหนดใายกําหนดรู้รู้อะไรรู้กายรู้กายรู้ตรงไหนรู้จักเวทนาอันนี้เรว่ากําหนดรูปภาษาเราง่ายๆว่ากําหนดรูปกำหนดรูปอย่างเดียวมันมันไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรมาเกาะ เวทนาอาศัยเกาะกายอยู่เร <c oughs> าจะเห็นเหตุรูปชัดเจคือในรื่กายเรียว่างกระดกายกระดู ก, ก, กสังขารสังขารคือความคิดไม่ได้เกี่ยวกับรูป ก, กายนะต่อไปสังขารเกิดจากความคิดควาคิดคว่าเวท น, กกนะะามันเกิดจากอะไรภาษาแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากการปรุงกันแต่งต่อความยาวสร้างความยืด ัดปรุงเข้าไปก็กำหด ร, รู้อันนี้อันนี้คือสังการอันนี้คือเวทนากําหนดอย่างนี้เรียกว่ากําหนดรู้ <c oughs> คุณนี้มันล่ไม่ได้ทำไมถึงบอกว่าล่าไม่ได้เพราะว่ามันเกิดบรรดับมันเกิดบรรดับอยู่อย่างนี้ยแต่เราไม่รู้การเกิดการดับของมันปัญหายอยู่ตรงนี้นั้นต้องการให้เรารู้จักตรงนี้คือต้องการให้เรามีสติสติให้การรู้การเกิดของมัน ดับกวามมันสัมปัญญะคือรู้พร้อมรู้ทั้งตัวเหมือนกับเราลมหายใจตัวสัปัญญะรู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เกิดขึ้นจนดับหนดเนี่ยสติสัสปัญญะเป็นเน้รู้ไปกทั่งเวทนาทุ ก, กเวทนาคือโทมนัตสมนัตนั่นแหละอภิชาความเพ่งโข้อื่นเขา น, นี่เป็นต้นเมื่อเรารู้เสร็จแล้วเราก็เข้าใจคือเข้าใจว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออ น, น, อ น, น, อ น, นี้เป็นอันนี้คือรู้จักกันละซึ่งธรรมชาติของเราไม่รู้ น, นี้เราเริ่มต้นเรากำลังพูดถึงอริยสัจสีแต่ถ้าบายอธิาบายไปปริยัติเกิดทุกสุภะไทยโรูปักเนี่ยเราพูดยันติดปากเราจะไม่เข้าใจว่าอริยสัจสีคืออะไรกระบวนการหนึ่งสองสามสี่ต้องเจอ ก, กันยังไง เมื่อหลังจากนั้นเรามีสติแล้วมีประสัญญาแล้วยกขึ้นมาพิจารณายกอะไรก็ยกขันยกธาตุยกขันขึ้นพิจารณาตามความเป็นจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงเขาอยู่ยังไงการที่เรายกขึ้นมานั่นเองจึงเรียกว่าฐานของสติยึงเรียกว่าสติปัฐานอยู่ที่ว่ายกกายขึ้นมาเรียกว่ากาย กายานุปัสสนาเพื่อเห็นกายพูดยังไงอย่างนี้เวทนาอนุปัสสนาเพื่อเห็นเวทนาเขาบอกเห็นเห็นด้วยปัญญานะไม่เห็นในตาเนื้อตานังอื่นๆก็คร่าๆวๆโดยประมาณเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเรายกอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ตัวนั้นก็คือเป็นตัวฐานผู้ไงฐานความคิดฐานกับพูดฐานการการะทําของตัวเราเองจนเกิดปัญญาด้วยตนเองเพราะปัญญาคือเข้าใจ กระบวนการขังมันตั้งแต่ต้นจนจบสุดท้ายเมื่อพัญญามันเกิดมันก็แยกออกระบายมีสติสัมัญญยกเกิดขึ้นพร้อมมันก็จะแยกออกเองว่ารูปคือกายเนะี่ยเวทนาสัญญาสะคารเวีย ญ, ญาณคือนามเมื่อสี่ตัวนะั้นไม่มีที่เกาะคือเวทนาสัญญาสะคารไม่มีที่เกาะที่เกาะมันคือกายคือรูป มันก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าตายที่เราพูดมาตั้งแต่ต้ น, น <c oughs> คือไม่สามารถที่เกาะดินน้ำไฟลมมันให้อยู่ได้สี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารนิยมันก็ออกจากร่างมันก็ดิออกจากร่างแต่มันยังยึดรูปละเอียดอยู่รูปละเอียดคือจิตจิตใต้สันนิษมันเก็บเอาไว้ <c oughs> มันก็ยึดตัวนั้นไปแต่รูปตัวนี้มันเกาะไม่ได้แล้ว มันก็หาที่ก่อใหม่เรียกว่าทิฏฐิคือที่ตั้งที่ตั้งของจิตใหม่อถ้าที่ตั้งตรงนั้นเรามีความรู้อยู่แล้วเรียกวิญญาณเรียวทิฏฐิญาญญาณในกรณีใหมายเกิดจากฌานอารูปฌานคือเป็นพื้นฐานถ้าใครกําหนดฌานไม่ได้คือรูปฌานรูปฌานเนี่ยก็ยากที่จะไปต่อตรงนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราก็ใจอย่างนี้แล้วแต่ว่าในขณะนั้น ในขณะที่มันจิตมันเหลือไต่สี่ตัวเขาเรียกว่าขันสี่มีขันสี่ขันห้าไม่มีแล้วคือรูปมันอยู่ไม่ได้แล้วจะด้วยสภาวะอันใดก็ตามโดยการบีบขั้นการเวทนาหรือเจ็บปวดอย่างรุนแรงจิตมันก็เด็ดออกมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปแค่สี่ตัวตัวนั้นนะนี่จิตเราไม่เคยฝึกเลยไม่เคยหักเลยเราจะอยู่กันยังไง มันขึอยู่กับความจำที่มันมีอยู่กันแหละความบาด้ยุ่งยากอะไรความจำอะไรถ้าอะไรเงนึกไม่ออกก็นึกถึงคนฝันเวลาเรานอนไปทำไมถึงฝันเห็นดั่นเห็นนกตั้งแต่ที่เราเริ่มเก่าแกมานานแล้วคนนั้นตายไปนานแล้วเราก็ยังเก็บมาฝันอยู่เพราะในขณะนั้นจิตคือ <c> ก <oughs> ุศงขาน <c oughs> มันนึกขึ้นมาได้มันก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมา นั่นแหะคือภาพหรือว่าพบอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าพบอันนี้มันจึงมาก่อนที่จะเป็นชาติคือการเกิดของผู้เราเนี่แหละธรรมชาติมาจากไหนก็มาจากพบแต่เราตอบอธิบายเป็นคําอธิบายอย่างผู้เราอ่านไม่ได้เพราะมันไม่มีคําตอบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีหลักฐานเรารู้จริงไหมว่าชาติคือเกิดเพราะคนรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ แต่ถ้าบอกมมาจากพบอันนี้ตอบไม่ได้เรารู้มามาจากพบก็คืออันนี้แหละทีนี้พบที่เราจะไปภาพที่เราจะไปมันก็อยู่ที่ว่าการมาพบรูปแบพบอารูปแบพบการมาพบของมนุษย์คนสัตว์เดรัจฉานโลกใบนี้มันอยู่ที่ควานบริสุทธิ์ของศีลแต่ความบริสุทธิของศีลน้อยหรือไม่มีเลยนี่อนที่สุดมันเป็นคนไม่ได้ ตามกว่คนอันนี้คือพบนะแม้เป็นคนอยู่ดีๆเนถ้าจิตตอนนั้นมันไม่ไม่เป็นพระอยู่ดีๆมันไม่ได้เป็นพระแล้วพระเอากะทำมาดิจิตเอามเป็นพระอันตรายเพราะฉะนั้นสภาวะหลังจากนั้นมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ได้แปลวาเป็นพระเป็นพระตลอดเป็นคนเป็นคนตลอดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงตลอดผู้ชายผู้ชายตลอดไม่ใช่เป็นเทวดาเปเทวดาตลอดไม่ใช่เลยพักเช้าเราพูดแล้วว่า มนุษย์หรือว่าคนเราเนะี่ยตายแล้วกลับมาเป็นคนอีกยากน้อยถ้าเปลี่ยนเหมือนแผ่นดินเหมือ น, นขี้ฝุ่นมันกาแฟมืออย่างมากแต่ก็เชี่อกว่าแผ่นดินหละประมาณนั้นน้อยถึงน้อยมากๆเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเขาสินไม่บริสุทธิ์สินไม่ครบนี่คือพื้นฐานเลยเทวดาเหมือนกันเมือเม่อหมดอายุไขแล้วประจุดติดเคลื่อน หมดบุญนหรอพุง่ายๆมันอายุไขหมดแล้วเขาก็เคลื่อนเหมือนกัน <c oughs> แล้วจะกลับมาเป็นเทวดาอย่างเดิมในครั้งนีนะ้มาครับว่าช <c oughs> ุดเจ้าเจศาเทวดาและกลายเป็นเทวดายากอยากของมากจะเว้นคนที่อุ่นชั้นสูงขึ้นไปที่ฝึกได้บางคำได้ด้วยตนเองแต่น้อยเพระนั้พวกสันไดชั้นที่หนักขั้าอีกเลยยุเว้นเจอผู้มีบุญเจอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมผัสได้โดยใจ ก็เห็นใด้เกิดศรัทธาเริ่มใสในใจซึ่งเราก็ไม่รู้เจนหมูหมากระกายมุกแมวหน่อเห็นพระอาจจะนึกขึ้นได้จิตใจนึกเคยเห็นเคยมีคือเป็นเหมือนฝันอาจจะนึกขึ้นในใจว่าแวบหนึ่งก็นี่ใจเป็นคนจะเป็นมนุษย์ใยใจนึกสุดท้ายเจนโดสุดท้าก็ขเป็นอย่างนั้นก็ก็จะเป็นอย่างนั้นพราะนั้นความสําคัญของลมหายใจในบอกสาคัญมากมากไม่ใช่ธรรมดรเพราะว่าลมเป็นตัวชีวิตเราคนจะเป็นคนจะตายอยู่ตรงนี้ แม้แต่วเวลานอนหลับก็คือโชคดีที่เรายังมีลมนั่นเองอื่นๆเราใช้ไม่ได้เลยที่เรามีอยู่ใช้ไม่ได้ดินน้ําไฟลมก็ใช้เฉพาะรถแต่ท่านลมตอนนั้น่ะท่านอื่นไม่ได้เลย <c oughs> ที่สําคัญคือสติที่กลับมาของล่างนี่ยากยกเว้นเวลาหเรครับเราเปลี่ยนอริยบทเช่นนอนหงายไปนอนตะแคงพอรู้สึกตัวแวบนิดหนึ่งอ น, นากะ ไปต่อแค่เดียวพอรู้สึกตัวสุขเวทนาก็จะมาทันทีในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวคําว่าไม่รู้สึกตัวก็คือไม่มีสตินั่งแหละระนึกนึกไม่ได้เลยอยู่ในท่าไหนนานเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้ถ้าไม่มีนาฬิกาเราก็จะไม่รู้นอนไปกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่มันเหมือนแป๊บเดียวแต่โชคดีที่มาฟื้นหรยวกลับมาสติกลับมาตัวเองเองเวทนาก็จะมาครอบงาํา เพราะฉะนั้นทุกภายนอกทุกภายในที่เรามีอยู่มันจะปรากฏก็แต่เมื่อจิตเราเกี่ยวข้องกับกายคือมารับรู้กายคือผั ส, สัาเช่นเวลาเราปวดอุจจาระปัิสัพหะถ้าไม่เต็มที่ทาไมรู้สึกตัวข้างนอกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่พอรู้ตัวมือพริกตัวแขแบตัวเมอไร ผัสสะมันทำหน้าที่คือเวทนาแต่เรรู้สึกว่าปวดปวดหนักปวดเบาเราก็ต้องไปจัดการไม่จัดการไม่ได้ราะในขณะที่นอนหลับเนี่ยเราไม่รู้สึกขอบพูนนี้ไม่ น, นี่นี่คือความสําคัญเพราะฉะนั้นในเวลานั่งปฏิบตัตินั่งสมาธิเช่นเดียวกันคล้ายๆกันในขณะที่จิตเราลงหลับลึกมากหรืออัปปนาสมาธินี่จะไม่รับรู้ข้างนอกใดๆเลยมันลึก คือไม่รับรู้ข้างนอกมาครับว่าเวทนาทั้งหลายเลยมันจะไม่รับรู้แล้วเลยเมื่อเจ็บมันออกมารับรู้ข้างนอกถอนออกมานิดนึงคือรับรู้คือมีสตินั่นแหละมันก็จะรับรู้เย็นดอนอ่อนแข็งเกิดการปัสสาวะเกิดการรับรู้มันเปิดหูเมื่อก่อนหูมันดับไปเลยไม่รู้มันเป็นอัตโนมัติตาไม่เห็นหูไม่เห็นปล่าไม่เห็นร่างกายเราตัวก็มองไม่เห็นคือมีสติมีปัสสาวะพอรับรู้เวทนาเนี่ย ขณะนั้นจิตมันตั้งที่เวทนานวสนาจิตไปตั้งที่เวทนามันก็เริ่มรับรู้คราบนอะเริ่ม อ, อยู่อย่างปกติธรรมชาติรู้จักเย็นดอนอ่อนแข็งคนตกพ้าร้ออะไรมันก็เริ่มรับรู้แล้วในขณะนั้นจิตมันจะเข้าใจถ้าคนไม่เคยเป็นเลยมันจะเข้าใจทีว่าโอ้กายกับใจเป็นอย่างนี้เองคว <c oughs> ามจตกต่างกายคือรูปใจคือนาน เมื่อมันแยกออกจากกันไม่ได้ทําหน้าที่ด้วยกันแล้วมันไปคนละทางแล้วมันก็เหมือนกับคนเป็นกับคนตายนนัะอเหมือนกับวันการฟื้นเปรียบเทียบกันอยู่เสมอในขณะที่กลางวันเราขึ้นไหไปมายืนเดินนั่งนอนดื่มกินทําพูดคิดแต่ละพัตแต่ว่าที่สําคัญคือเราไม่มีสติกํากับวิตลอดเวลาเนี่ยนี่คือสําคัญ เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าอริยบทที่มันพยายามที่จะให้เราขึ้นไปไปมาคืออยู่นิ่งๆท่าไหนก็ได้เพื่อให้มันนิ่งเพื่อไม่ให้เกิดผัสสะมารบกวนวันนี้ท่านนั่งของเราจึงท่า น, นิ่งๆไม่ อ, อริยบทเดียวหรือแต่ที่ผัสสะที่มากระทบให้รู้จักเวทนาอุสุขะเวทนาทุกขเวทนาโอเบขาเวทนาแต่เมื่อรู้เวทนาเสร็จแล้วจะจัดการกับเวทนาพวกนี้อย่างไร อยู่อย่างไรลราจิตมันแยกออกแล้วโอ้ <c oughs> รูปของนามเป็นอย่างนี้สุดท้ายที่เราไปจริงๆมันเราจะเรียกว่ารูปก็จริงแต่มันก็คือนามคือขันสี่แต่พูดง่ายๆคือจิตแต่นี้จิตเราอะไรมีอะไรติดตัวไปตรน้คืออะไรติดจิตไปมีความฉลาดไปมันนึกไม่ได้คือมีสติหรือนึกไม่ได้คือไม่มีสติเพราะฉะนั้น <c oughs> จุดรวมต้นของอาณาปาญสติจะรู้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่วิธีการในบ้านคือลมหายใจนี่แหละเพราะนั้นคือพูดอยู่เสมอว่าลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแต่งให้มันสงบให้สบายคือสุขะไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องเพ่งไม่ต้องไปเร่งแล้วเราเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามแค่ดูลมหายใจเดินยังไงก็ได้ขอให้มันมีสติประเด็นหลักคือสติไม่ใช่วิธีการ นั่งก็มีสติเดินก็นมีสติเนี่ยยกแขนยกขาน้านหลายสนักท่านจริงจรงจังมากยกซ้ายขารู้ว่ายกซ้ายยกขวารู้ยกขวาเห ย, ยียบขร้ว่าเหยียบยางขรู้ว่า ย, ยางแต่มันจะตึงเกินไปจนจ น, จนเครียดจนกลายเป็นปัญหัเก็มีเรามันเครียดเกินบังคับเกินมันไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่ถ้าทําให้มันก็ดีหรือฝึกสติให้มีสติอยู่เสมอแต่ว่ามั น, ม, นมันมากเกินเอาแค่ ลมหายใจกำหนดลมหายใจถ้ามันเผยไปเลยไม่เป็นไรไปเสียดกับมันก็กำหนดใหม่กําหนดใหม่กําหนดกายกําหนดใจกำหนดใหม่เราจะเห็นความมหาศาลของลมหายใจว่าเมื่อลมหายใจมันอ่อนลงคือมันหายนั่นแหละเพรามันจะเหลือแต่ใจคือตัวรู้ว่าโอ้นนี้ใจเป็นลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เมื่อตัวรู้เกิดขึ้นอเราก็เรียกวพุทโธนะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคําชื่อที่จะเรียกนอกจากคําว่าพุทโธ พระพุทธรููื่นพระบูบาลมันไม่ใช่น้ำของพระพุทธเจ้ามันเป็นสมญานามเกิดขึ้นว่าลักษณะถ้าเกิดขึ้นจะเป็นอย่างที่ทุกคนเพราะนั้นที่บอกทุกคนเป็นพุนโทโธได้มีพุโทโธได้ถ้ามีคุณสมบัติพอเมื่อคุณสมบัติอันนี้นคือวิธีการเรามีพอคุณค่ามันก็จะตามมาอย่าลืมว่าคุณสมบัติกับคุณค่ามันคนละเรื่องกันนะ มันคนละเรื่องกันคุณสมบัติเปเราจะต้องเรียนรู้เรื่งสามนี้จะทำไงนะแต่คุณค่านะมันจะเกิดมูลค่าขึ้นมาเกิดมีราคาขึ้นมาเกิดไปที่ก้องการของบุคุณขึ้นมาเดื่อมูลค่านะนี่เราคุณค่าหรือคนจะต้องการไม่ต้องการก็ตามเขามีมูลค่าอยู่ในตัวเขาเองตามจํานวนตามราคาเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของสมมุติเช่นโลกเขาเนีจย กระดาษ ธ, ธรรมดาสมมติเป็นมูลค่าเท่านี้ก็กมีค่าทั้งหมดหบาทสิบาทยี่ิบาทร้อยบาทพันบาทอันนี้นก็เริ่มมูลค่าแต่มูลค่า น, นี้มันโดยสมมุติกระดาษเท่ากันต่างสีต่างตัวเลขเท่านั้นแต่มูลค่าต่างใจมันไม่ใช่ไม่สามารถตีความได้อย่างนั้น <c oughs> มูลค่าตีใจนล้เกิดแล้วเกิดเลยเร <c oughs> ื่องมันต่ากันกับมูลค่าของกระดาษที่เราสมมุติกันขึ้นมา นั้นใจของเราเนี่ยถ้ามันมีมูลค่ามีค่ามีราคาแล้วเราจะเห็นคุณค่าของจิตใจเราจะเห็นว่าพราะแม่ครูอาจารย์ของเราทําไมพวกเราถือคารวาะใจโยมศรัทธาทั้งหลายเห็นประกาศไปไว่า mm hmm. ก็เพราะว่าท่านเป็นค น, ค, mm hmm. คนที่มีมูลค่าคนที่มูลค่านั้นเจ้าคนที่เป็นมีพิพภัยกับใครเป็นคนเย็นคนที่มิพิพภัยกับใครคือเข้าใกล้แล้วสบายใจ คุณสมบัติเหล่านี้มี เ, เรีคุณสมบัติถ้าพวกเรามีอันนี้เรีคุณสมบัติถ้าพวกเรามีเข้า อ, อะไรก้อนหนึ่งเถือเถือกใกล้เคียงกับคนที่มีคุณค่าพนักคุณค่าคุณสมบัติคนละอย่างกันถ้าไม่คุณสมบัติอย่างนี้อื <c oughs> คือเขาใกล้อลไรกัเย็นสมมติเขาใกล้อลไรสบายใจอไม่เดือดร้อนความไม่ตกกันวนงวลอะไรเลยมันไม่มีคือคนคนนี้จะอับอายอารัฐอับอายหรือ ผู้ใจเยาคายหรืออื่ น, นใา้เราโดยดรอนไม่มีเพราะไมตกความกังวลนมม้ำบกมากกาคลาอะไรหมดมันสบายใจใชนะ่ไหมเนี่ยถ้าเราทําตัวอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ทําได้บ่อยๆทำได้ เ, เยอะเยอะอาจจะเป็นเพิ่มมูลค่าก็เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าในใสายตาของคนอื่นเขาเราไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปบอกว่าไปกล่าวถ้าเรามีค่าเขาต้องการเองไมนต้องเป็นปรโมทโฆษณา พระแม่กุฎจางครับผู้เราท่านมาได้โประมวทโฆษณะตัวเองท่นอยากให้เราทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของลมหายใจง่ายๆสั้นๆ ส, สามคำแค้นขอให้จริงจังกําหนดขอให้กําหนดอย่างจริงจังอย่างทุกวันเราดูดูตัวนี้จนเห็นดูเฉยๆมันไม่เห็นไม่ได้ท่านดูด้วยแล้วก็เห็นด้วย เรียวกว่าวิปัสนาวิจารปัสนาแปลว่า <c oughs> รู้แล้วก็เห็นด้วยปัญญาทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยแต่ทั่วไปเรารู้อย่างเดียวแตมม่มันไม่เกิดปัญญาคือเราเห็นอย่างเดียวเช่นเห็นร่างกายดูตนของคนนั่งคนนี้เห็นท่าสี่ขันห้าอันนี้เราเรียก ว, ว่าเห็นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดปัญญาปัญญาไม่เกิดจากการเห็น <c oughs> คําว่าปัญญาทีนี่ต้องเห็นไปผู้่ความ ละถอนปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายกำนัดคำว่าเห็นเราเห็นแล้วมันเป็นไปเพว่ความเบื่อหน่ายไหมเป็นไปเพื่ความคลายกำนัดไหมเป็นไปเพื่อความไม่ยึดไม่ถือไหมถ้าไม่มีคุณสบัตนี้ไม่มีขรเวนนิพิทามันไม่เกิดนิพิทาไม่เกิดวิรคะกไม่ต้อาพุทธึงแล้วการที่จะปฏิจจคกวิรคะมันไม่มีเมื่อวิราคะไม่เกิดขึ้นนิพานจะมาจากไหนไม่มีคือมันไม่ดับอะพูดง่าน เมื่อไม่ดับแสดงมันยังปรากฏอยู่โดยความหมายเพราะนั้นนิพพานะมันแปลว่า ด, ดับแต่ชั่วข้าวก็ไม่เป็นไรค่อยมาดับด่างเช่นจิตสงบลงดึงเร็วชั่วขา้าวก็ยังดีเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างจิตสงบกับจิตไม่สงบเป็นยังไงเราเราก็จะเห็นว่าบุคคลที่ไม่สงบเลยเป็นยังไงกับสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ยังเห็นคุณค่า <c oughs> โดยเฉพาะอย่างนี้คือคุณค่าของศีลคุณค้าของทํา แต่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องของสินอันนี้เราม่มีสินหรือเปล่าตอนนี้เรานั่งลงตรงนี้กายวาจากปกตินี่คือสินแล้วนะถ้าปฏิบัติไม่ต้องไปกังวลสินคล่อมทันทีเลยนั่นการปฏิบัติหรือการ ก, กระทําทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งไม่ว่จะเป็นค า, วารวะญาจนหรือพระสงฆ์องค์แนนจะบอกว่าสินไม่ไปสุดอะไรแล้วแต่แต่ว่าหลายหลายสำนักทางกาเจดิกอันนี้เป็น <c oughs> เพื่อให้ใครายวตกวิกความกังวลทางกาเจอบอก ถ้าเป็นสำนักหลายๆบ้านหลายที่หลายทางกันจะบอกว่าให้ปล o งอาบาัดก่อนแล้วไปกดสโลบายทําให้ใจมันสบายใจนะใจมันั้นมีวิตกกังวลหม้ความว่าทับปล o งอาบาัดเสร็จแล้วคือสบายใจแล้วมันไม่เป็นอาบานะับับและวจริงจริงมไม่ต้องเลยแค่ลองดวงนี้กายวาจาไม่เบี่ยเบียนใครไม่ทาําไรกันมันก็เป็นสินทันทีอยู่แล้วอันนี้คือนิทาปฏิบัตินะแต่พย า, ายติมันก็จําเป็นคนละเรื่องกันนะต้องแยกออกจากกัน <c oughs> บ้านังกับพวกเราทุกคนการปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญมากมากตราบใดที่สติสัพเพชญะปัญญาไม่เกิดขึ้นคือยังไม่รู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงในรูปร่างกายธาสี่กันห้าอันนี้ด้วยปัญญาก็ยากที่จะยกหรือว่าแยกร่างกายธาตสี่กันหนี่ที่เรายึดที่เราถือกันมานา น, นกลายเป็นภาระ จะกลายเป็นทุกระที่ต้องแบกต้องถามต้องบริหารจัดการตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้เป็นภาระมั น, นเป็นทุระแต่ เ, เราก็มโนมว่าเป็นธุระธุระในชีวิตประจําวันนะ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นทุกหรือว่าทุกประจํำวันนั่นแหละอืมแต่เราชินซะแนละ้วมันจะคิดว่าเป็นทุกเล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นกินข้าวกินปลาเป็นต้น ตอ น, นี้ถ้าเราเอาพู้นี้มาหลักมาใช้เอาในหลักอริยสิทธิผู้เจ้าสอบจะเราไปทุกเรื่องเช่นโรคภยครัยไข้เจ็บอ้วนผอมนี่เป็นต้นสมมติเราอ้วนสมรมดาร่างกายนั้นหนักเยอะสมมติเฉยๆแล้วจะมองเป็นอริยสิทธิยังไงผู้เจ้าบอกว่าทุกมันเป็นผลอ้วนน่นคือผลแล้วเหตุของอ้วนคืออะไรอ่ะ นันะคือสมมติไทยถ้าจะบอกประตันหามันกใจยากทำไมถึงอ้วนตอบหากินเยอะไงกินไม่หยุดกินไม่ย่อนไม่เหตุการณ์อ้วนนะเพราะมันจึงอ้วนมันจะเร็วทุกข์ผลแล้วทำยังไงถกซึมถันดีรอทําในถึงจะดับถึงจะแก้ของอ้วนได้กดกินน้อยหน่อยลดน้อยหน่อยล ด, ดแป้งลดน้ำตาลลดอาหารลดมือ จะอ้วนอยู่มั็เลิอก็ทีก็าทางเติมผลดีขึ้น น, ะนี่ว่าดิโรดตะคือมันดับเกิดมันแก้ได้คำใดแล้วผนทางต่อไปเรารู้แล้วว่าที่เป็นแน่กระตรงคือกินให้มันน้อยน้อยกินให้มันพอดีกินให้มันเหมะสมก็อยู่ได้นั่นแหละคือมัคคือวิธีการอนี่คือสมุดไทยง่ายๆใ น, นการแก้ชีวิตประจำวันของพวกเราเดี๋ยวถ้าเราไม่ใช่เลยบอกว่าทําไมอ้วนจัง ก็ได้จะมีแต่คําถามทําไมนั่นแหละคือคําถามแต่มีคําถามแล้วมัน ม, มีคําตอบใครตอบให้ไม่ได้ทําไมเพราะอะไรเราไม่หาสาเหตุอ่ะอื้วนเพราะอะไรต้องหาสาเหตุของมันอเขาอ้วนเสร็จแล้วยังไม่พอเป็นโรคไขขยะไปตามมาอันนี้คือวิธีการแบบเรียก e อริยสัจสความจริงอันเปรดเสร็จสี่อย่างอันนี้อืดังนั้นคําว่าอ้วนเนี่ย ทุกข์แต่แจว่ากําหนดกำหนดเพื่อปริญญากําหนดดูไม่ใช่ละนะอ้วนเนี่ยต้องกำหนดโอนโวนเพราะอะไรโวนปาหาสมุทัยป่าหานะ่ะคือละคือต้องทาให้อ้วนลดลงคือละละควาอ้วนตัวเนี้ลดความอ้วนตัวเนี้ยเรียกว่าสมุทยัยนี่ลดเมื่อควาอ้วนมันลดลงไป จากร้อยหรือแปดสิบเจ็ดสิบนะนั่นก็คือว่านี่ลดละคือดักนะทีนี้เรารู้ว่าเออทีมรถอย่างนี้นก็เพราะว่าอาหารออกกาลังกายอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ครบละทุกสูตไทยถดมากง่ายๆอย่างนี้นเพื่อเราะจะเอาทุกสูไทยลดมากเอากเรื่องปฏิบัติมรกคผลที่ผ่านอย่างเดียวซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งไปอย่างอย่างเดียวเป็นเรื่องเข้าใจยากพี่จีพิจามันไปนั้นเยะสาักสี่นี่ ใช้ได้ทุกเรื่องกับผู้เราในชีวิตประจำแม้แต่ข้าปลาอาหารเหมือนกันทุกสูตรไทยโรสมักเอามาเปรียบเทียบเอามาใช่กับการกินการอยู่ในชีวิตประจำได้ทั้งนั้นเลยแม้แต่ความคิดคำพูดการต่างๆของเราถ้าเปรียบเหมือนก็เหมือนกันตัวไหนจะต้องกําหนดรู้ตัวไหนจะต้องละตัวไหนจะต้องทําให้มันดับและวิธีการทํามันดับคืออะไรให้ครบขั้นตอนอย่างนี้ก็เรียกว่ า, วากระบวนการความจริงถ้าใครใช้ชีวิตอยู่ด้วยกระบวนการอย่างนี้ ง่ายที่สุดก็คือลมหายใจนั่นแหละซึงยอะไรยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยซึ่งกลับไปที่เดิมก็คือผู้เจ้าเขาใช้วิธีอย่างนี้ะคืออัาศาสาปาัศสาแปลว่าไงคือลมหายใจเข้าหายใจออกแช้มันชนานาญเรื่องนี้สมเด็จจักรราษฎรองศีราวนอธิบายละเอียดมากถ้าใครสนใจลองไปอ่านดูหนาปาะสิิของสมเด็จพระจันทรสังวรถ้าจะอธิบายละเอียดลราออกมากยกข้อสุ์ไปด้วยในประสุดมี ในพระสูตรก็มีเรื่องของนี้เรื่องอานาปานสติสูตรก็มีถ้าใครสนใจในทางปริยัติจะทางปฏิบัติดมันง่ายเอาแค่นี้ดูแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกจดจ่ออยู่อย่าให้เผลออย่าให้ลืมจนเห็นจนเข้าใจจนจนเหลือแต่ใจก็ลมหยาบลมกลางล ะ, ละเอียดจนเบาจนเหลือแต่ใจพอเหลือแต่ใจเสร็จมันจะรู้ออกมารู้คำนอค่อยกำหนดครอบทัง้งหมดกระบวกาย อย่างนี้เรากำหนดกายรู้กายครับว่ารู้กายรู้การทํางานของกายกลุ่มทีการทางานกายอย่างนี้กายนี้ถ้ามันไม่มีเวทนาอัธยาศักดิ์วิญญาณเก็อยู่มันทํำอะไรไม่ได้เลยมันก็มีแค่ดินน้าไฟลมอยู่มันมีอะไรมาเกาะมันดินมันก็เป็นดินน้าเป็นน้ําไฟไฟลมเป็นลมมปคนนอนทอนอะไรไม่ได้เพราะมันมีสติคนก็เหมือนกันถ้าปราศจากสติเมื่อไรเหมือนกัน เมตตายืนนเหมือนกันท่าปราศจากสติลักษณะของเจ้าเป็นอย่างนี้นั้นต่างกับพระอญญระิยะผสมครอาจารย์ที่จะมีสติแล้วจะทะําอะไรก็ตามก่อนทํากระทําทําไปแล้วเรียกว่ามีสตินั่นคือเป้าประสงค์เป้าหมายในการฝึกของเราถ้าเรามีสติอย่าพูดไปแล้วมาคิดมาได้เพึ่นมาคิดได้อันนี้ใช้ไม่ได้ต้องคิดก่อนขณะอยู่กระทําอยู่รู้ทาไปแล้ว อันนี้จะเป็นสองผลในการรู้ชีวิตของเราจะเป็นมโทษเป็นภัยจะไม่สร้างเวทสร้างกรรมกับใครไม้แต่ตัวเองนี่คือ ป, โโประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่าทําให้เป็นปนิสัยทำเป็นนิสัยคือทำํำบ่อยๆ <c oughs> ทําเป็นประจํามากน้อย ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นไรวันวันหนึ่งต้องทําไม่ทําไม่ได้ทําทุกวันมากน้อยไม่เป็นไร3ามทีห้ ส, สห้ทีแต่ว่าต้องตั้งใจ ตั้งไว้เลยเหรอเนี้ยตั้งสมาธิเราต้องทุกวันหรือว่าฝึกสติให้มีสติทุกวันให้มีความรู้ใหม่ๆทุกวันเกิดขึ้นกับเราทุกวันอย่างเนี้ยเอาเชื่อกัรเป็นการปฏิบัติทุกวันแต่ถ้าปล่อยปละเลยเฉยๆนึกขึ้นได้เมื่อใดค่อยมาทํานึกเมื่อใดค่อยโอเคปฏิบัติโออย่างนี้ไม่ได้มันจะมันจะไปเป็นนิสัยปัจจัยไม่ได้มันกระขาดเกิดเกินนึกขึ้นได้เมื่อใดก็เท่านั้นมันไม่สามารถจิตนึกนได้ต้องระวังว่าจิตของเราสุดท้าย นี่ถ้าเราไม่ทําเป็นประจํามันนึกเลยไม่ออกนะาอะไรมาก่อนอะไรมาใกล้เช่นเวทนามั้นจิตมันก็จะไปยึดที่เวทนามอันตรายนะเพราะว่างเวีนามไม่ได้ถ้าเราวางเวทนามได้มันก็กำหนดให้มันดับเวทนามได้จึงอยู่เวทนามมันดับในขณะนั้นคือจิตมันไปยึดถึงนั้นแต่ว่ามันก็ยังละถอนปล่อยวางไม่ได้มันก็ยังอยู่แบบรูปละเอียดอยู่มันก็ไปที่โนรูปประชาม ระบบผมรูปบผมมไปดีอยู่ไปนานอยู่แต่มันก็ไม่พน้นมาที่เดิมเพราะนั้นมีสตริรับรู้ในขณะที่เราเป็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะตายหรือคอนถึงกับตายให้มีสตริรู้อยู่ตลอดเวลาสมมติกำลังจะตายถ้าเราไม่ฝึ ก, กเราจะรู้ได้ไงก็ตายก็ปล่อยมันตายก็ปล่อยก็วางดินน้ำไปลมเท่านั้นเองเยืมมาชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปตัวที่ตัวไปคือสติคือกำหนด ดูตลอดเรียกว่าตายยังมีสติท่านเรียกว่าไม่หลงกาละกิริยาคือไม่หลงตายซึ่งต่างกับคนไม่ฝึกจะมีแต่ความกลัวมีแต่ความไม่ตกกังวลสุดท้ายการในรพระประเทศก่อนที่จะตายเนี่ยนะสารพัดกันเลยประเทศได้ฟังซึ่งในขณะสติสัมปชัญญะมันน้อยมันจแทบไม่ยินแล้วแทบไม่ฟังแต่แต่ว่าดีมันมีผลต่อคนรอบตัวเราข้างว่าเออได้ฟังแล้วได้ฟังตรรมแล้วปฏิบัติทำก็จะ มันก็คนอยู่ก็คลายไปจาความกางาังวลลงเดี๋ยวไปดีจริงจริงเจ็ดในขณะนั้นก่อนจะออจากเรื่งได้ยินหรือปากก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่จะไปจริงหูมันดับนะผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินว่าตามันดับก่อนคนจะตายตามันดับมันลืมตาแต่ภาษาตาไม่ทํางานสัตว์หูไม่ได้ยินอยู่อืออือมันก็จะตามาตาตาหูใช้ได้แต่ปากไม่ได้ ตามไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ตาไปแล้วลหรือตัวหัวก็หูดับกไปแล้วต่ก็อยู่อย่างนี้ตาก็ค้างไปต้นทีนี้ลมอ่อนลงอ่อนลงอะไรดับเมื่อะไร้ากําหนดไม่ได้เนี่ยอันตรายอะไรตนี้พอลมออกจะร่างเมื่ อ, อไหร่หมดจริงๆริงตอนนี้ที่ไม่อยู่ทั้งหมดมันก็จะไหลออกธรรมชาติของมันตามถวาวรหรือประตูมีประตูจะไหนมันก็จะไหลออกของเหลวทั้งหลายแล่ทั้งอุจจาะปัสสาวะทั้งเลือด มันก็นจะไหลออกเพราะมันมีลมลมมันก็นจะดันออกมาหมดคือ ป, ปกติทุกวันมันลมประคองอยู่นี่คุณสมบัติของลมคุณค่าของลมคือประโยชน์ของลมหายใจมีมากมายกว่าที่เราพิารณาสิกว่านั้นให้เราทั้งหลายเห็นคุณค่าของลมหายใจเมื่อความวิตกกังวลหรือมีปัญหาหอะไรให้กับลมหายใจนี่แหละง่ายที่สุดคือหายใจเข้า ล, ลึกๆหายใจออก หายใจเข้าให้ยาวสติมันจะวิ่งกลับมาหาตัวเองคือมันรู้ตัวนั่นแหละนะว่ามีสติมีสัมยาคือรู้ตัวอย่างน้อยก็คือพอหนักเป็นเบาเช่ น, นอะไรเกิดความโกรธขึ้นมาเนะี่ยมันจะรู้เออกําลังโกรธนะพอกรธเนะสร็จเราจะไม่ไม่มีผลจากการโกรธก็ดับลงในขณะนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความโกรธนะมีแต่สามารถระงับดับลงได้ไม่คือประโยชน์โอฝึกตังค์ก็บคนไม่ฝึกมีอะไรพูดแสดงออกทันทีเลย ว่าจะเป็นเรื่องความโลบความโกรธความหลงมันจะแสดงออกทันทีเลย <c oughs> <c oughs> พูดยังไงก็คือคุมไม่ได้คุมตัวเองคื ค, คุมร่างกายตัวเองไม่ได้อันนี้อันตราย ล, ละเป็น อ, อันตรายเพราะนั้นประโยชน์นนาาน ใ, ใ น, น, นการปฏิบัตนะิการพวกเราก็นี่แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงขอพวกเราทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอย่าประมาทให้ทําความดีทุกวันโดยเฉพาะในการปฏิบัติ ให้เห็นทุก ว, วันวเลยบทที่เรียกว่าความดีมันคืออะไรถ้าเราเป็นกูสดมีอะไรบ้างที่เป็นกุสดที่เป็นความดีในวันนี้อะไรก็ได้ที่เป็นความดีทําอย่าไปตกไปวงปนอย่าไปลังเลยนี่ความดีน้อยคนนี้แบบไม่ต้องมาสนใจถ้าเป็นความดีให้สะสมมาเยอะเยอะมากเราก็เชื่อว่ามีของดีก่อนที่ไปมีของดีติดไม้ติดมือ ไ, ไปในง้นจะมีแต่ของไม่ดี ติดกายติดใจไปติดจิตไปอันตรายล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุดก็คือชําระศินให้บริจดทุกวันนึกถึงสินทุกวันทบทวนสินทุกวันเราจะเชื่อว่าจะได้ระมัด ร, ระวังเออวันนี้สินขอให้บกพร่องตรงนี้มันรสายยากเราก็จะได้ระมัด ร, ระวังจะได้เพิ่มเติมค น, นให้มันเยอะๆให้มันมากๆเราจะเชื่อว่าสินเป็นบริบูรณ์สินบริบูรณ์แล้วจะเป็นฐานรองรับทั้งหมด ต่อไปก็คือสมาธิสิทธิจะตั้งอยู่บนสมาธิจะตั้งบนสิมันส่งต่อการั้นแรกเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลต่อขันแปรไม่เหตุมันดีคือสินมันดีส่งผลต่อสมาธิเสินเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเมื่อสมาธิมันดีมันก็เป็นเหตุส่งผลให้เกิดปัญญาคือปัญญาดีเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นส่งต่อต่อกันมาอย่างนี้วนเวียนกันอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผล อย่างนี้แต่เรานี่คือคําอธิบายอันนิสงของการเจริญมักมีองแปดคือสินสติปัญญาเองเพราะฉะนั้นขอพลังทัลายอย่าท้ออย่าถอยเป็นกําลังใจของเราทั้งหลายได้มีปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันมากน้อยเมื่อไรคอยทําทุกวันมีทุกวันก็จะเราก็เจริญขึ้นหมายถึงสติของเป็เจริญเพราะว่าคําคสุดท้ายคําสุดท้ายคําว่าอนาปนสตินั้นคือภาวะนา เปรว่าทําให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นคือฉลาดจิงนใช้คําว่าภาวนาทำให้มันนี้ให้มันเกิดขึ้นอะไรม่มีให้มันมีอะไรไม่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นอะไรไม่เจริญให้มันเจริญท่านจิ้นใช้คาว่าภาวนานี่คือความหมายคำว่าภาวนาอย่างแท้จริงคือให้ภาวนาทุกวันเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้ไม่ได้แปลภาวนาไม่ได้แปลหลับหูหลับตาอสุบะติยินเรื่องหนึ่งเนี้ยภาวนาเนี่ยคือทําให้ ที่เราดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นจะคือเ้าาก่ <c oughs> อเราทั้งหลายและมีความสุขความเจริญดูโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมก็เราทั้งหลายคือควเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเธอ